การปฏิบัติธรรมหรือการกระทาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมจะทำให้สำเร็จได้จำเป็นจะต้องมีธรรมะสี่ข้อด้วยกันที่เรียกว่า อิทธิบาทสี่อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสาเร็จบาทคือทางทางสู่ความยิ่งใหญ่มีอยู่มีธรรมะอยู่สี่ข้อที่เราจําเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำงานทางไหนทางโลกหรือทางธรรมถ้ามีอิทธิบาทสี่ก็จะสามารถทำให้สำเร็จลุร่วงไปได้อย่างง่ายดายข้อที่หนึ่งคือฉันทะความยินดีในการทำงานที่ต้องทำอสองวิริยะ ความภาคเพียนความขยันหมั่นเพียนต่อการทำงานสาจิตตะคือใจจดจ่อยอยู่กับงานที่จะต้องทำเพียงอย่างเดียวสวิมังสาความคิดค่ายควรเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างเดียวไม่นี่คือ องค์ประกอบของอิทธิบาทสี่ถ้าใครมีอิทธิบาทสี่จะสามารถทำงานที่ต้องการจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นทางโลกเช่นเรียนหนังสือถ้ามีอิทธิบาทสี่ก็สามารถเรียนได้ถึงขั้นป ร, ริญญาเอก ในทางธรรมถ้ามีอิทธิบาทสี่ก็สามารถบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้อย่างง่ายดายดังนั้นถ้าเราต้องการความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม เราต้องสร้างอิทธิบาทสี่ขึ้นมาให้เรามีความยินดีต่อหน้าที่การงานของเราฉันทะคือความยินดีเราจะมีความยินดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าการทำ ง, งานของเราถ้าสาเร็จร่่งไปแล้วเราจะได้รับอะไร ถ้าเรารู้ว่าเราได้จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราก็จะเกิดความยินดีแต่ถ้าเราได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราก็จะไม่เกิดความยินดีเช่นถ้าทําแล้วไปติดคุกติดตารางอันนี้เราก็จะไม่มีความยินดีกับการที่จะไปทํางานแบบนั้นเช่นไปทําค้ายาเสพติดะ ไปทไปต้นธนาคารอันนี้ก็เป็นงานอย่างหนึ่งแต่ผลที่ตามมามันมันไม่ดีเพราะว่าอาจจะต้องไปติดคุกติดตารางได้ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันทะก็จะไม่เกิดคนส่วนใหญ่จึงไม่ไปทำผิดกฎหมายนอกจากคนง่คนที่คิดไม่เป็นคิดเพียงด้านเดียว คิดว่าไปป้นธนาคารแล้วจะได้เงินมามากมายค้ายาเสพติดแล้วจะได้เงินมามากมายคิดด้านเดียวไม่คิดว่าอาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางได้คนเจลาดจะคิดสองด้านสองมุมคิดอย่างรอบคอบคนง้อจะคิดแต่ด้านเดียวคิดจะเอาแต่สิ่งที่อยากได้ อยากได้เงินแบบง่ายๆเร็วๆมากๆก็ต้องทำผิดกฎหมายแต่ไม่คิดว่าทำผิดกฎหมายแล้วอาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางได้หรือคิดว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงติดคุกติดตารางถ้าไม่ถูกจับก็สบายไปถ้าถูกจับก็ ต้องไปรับโทษ น, นี่คือวิธีที่จะทำให้เกิดฉันทะความยินดีในการทำหน้าที่การงานต่างๆเช่ น, นเรียนหนังสือถ้าเราคิดว่าคนที่เรียนจบปริญญากับคนที่ไม่จบปริญญาใครจะได้ผลดีกว่ากั น, น, นคนจบปริญญาก็ไปทำงาน ดีๆงานสบายคนไม่จบปริญญาก็ต้องไปทำงานรายได้ไม่ดีแล้วก็งานก็ต้องใช้กำลังใช้แรงงานมากต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากคนจบปริญญานี้นั่งบนโต๊ะเขียนหนังสือพิมพ์คอมใช้ความคิดเงินเดือนก็มากกว่า คนที่ใช้แรงงานเช่นไปประกอบรถยนต์ประกอบเครื่องปรับอากาศในโรงงานประกอบรถยนต์ประกอ บ, กอบเครื่องปรับอากาศาก็ต้องยืนทํางานไปใช้แรงงานของตน <c oughs> เงินเดือนก็น้อยกว่ากันนี่คือวิธีที่จะทําให้เราเกิดฉันทะความยินดี ในทางธรรมก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้อะไรถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้นี้มีคุณค่ามาหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองกี่ล้านกี่พันกี่หมื่นล้าน ก็สู้ผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สิ่งนั้นก็คือการดูดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้จะหายไปหมดถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จได้มรรคผลนิพพานขึ้นมา ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าเราจะได้อะไรเราก็จะยินดีถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นไม่มีใครไม่อยากได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกคนนี้ไม่ต้องการความทุกข์กันแต่ทำไมยังต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆเจอมาตั้งแต่เกิด แลจะเจอมันไปจนวันตายเวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์แต่ถ้าได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้จะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตาย จะไม่ทุกข์กับการพัดพลากจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักจะไม่ทุกข์กับการที่จะต้องประสบกับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบจะต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบจะไม่ทุกข์แต่ตอนนี้พวกเราทุกข์กันพอแก่ก็ทุกข์ พอเจ็บก็ทุกข์พอตายก็ทุกข์พอต้องพัดพากจากคนที่เรารักก็ทุกข์พัดพากจากของที่เรารักก็ทุกข์เจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ทุกข์ความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าถ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติแล้ว จะไม่มีความทุกเหล่านี้อยู่ภายในใจจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่อย่างใดไม่เสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้นี่แหละคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นยังได้หลุดพ้นจาก การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆด้วยพวกเราไม่รู้หรอกอันนี้ว่าเรานี่กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตายแล้วเราไม่สูญตายแล้วร่างกายมันสูญแต่ใจที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่สูญเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้สั่งเราเป็นนายใจร่างกายเป็นบ่าว เราคือใจคือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ใช่เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดมีความอยากก็จะกลับมาเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ผ่านทางร่างกาย อ, อก็จะต้องมีร่างกายเ อ, อถ้ายังอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากริ้มรสอยากดมกลิ่น อ, อ, อยากสัมผัสกับอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายออก็จะเป็นจะต้องมีร่างกายถึงจะสามารถสัมผัสได้ออพอไม่มีร่างกายใจที่ยังมีความอยาก มีความหิวโหวยต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่พอเจอพ่อแม่คนใหม่กำลังจะสร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาใจที่ไม่มีร่างกายก็ไปเกาะติดกับร่างกายอันใหม่ทันทีรอเก้าเดือน พอเก้าเดือนก็คลอดออกมาจากท้องแม่พอจากท้องแม่ก็เริ่มเห็นได้ยินเสียงเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นเออก็เลยหอยหวนหาสิ่งเหล่านั้นทันทีเด็กที่ร้องเนี่ยมันร้องเพราะมันอยากจะดูอะไรมันอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรพ่อแม่เลยต้องคอยหามาให้ พ่อแม่เลยต้องหาของมาให้ลูกดูเห็นปลาเงินปลาทองแขวนอยู่บนเปลไหมเด็กมันนอนมันเห็นปลาเงินปลาทองมันก็เพลิดเพลินมันก็เลยไม่ร้องถ้าไม่มีอะไรให้มันเห็นเดี๋ยวมันก็ร้องแล้วถ้ามันอยากได้ยินก็หากระดิ่งหาอะไรมาแขวนไว้มันได้ยินพอได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงอะไร ก็ไม่ร้องไม่ไม่ไม่ทุกข์นั่นเองไม่รบกวนพ่อแม่พ่อแม่จริงต้องคอยหาลูปเสียงกิจลดมาให้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเลยใชพอพอคลานได้พอนั่งได้ก็ต้องมีตุ๊กตาเล่นนะมีของเล่นมีอะไรให้ให้เล่นถ้าไม่มีแล้วมันจะร้องมันอยาก เวลามันอยากแล้วมันไม่ได้อะไรมันจะร้องแสดงความทุกข์ให้เราเห็นเราก็ไม่อยากให้ลูกเราทุกข์เราก็ไปหาของต่างๆมาให้มันเล่นลองผิดลองถูกดูเอาอานี้ดูถ้ายังไม่ลองถ้ายังร้องอยู่ก็เอาอันนั้นดูยังร้องก็อันี้ดูถ้าของดูให้ดูมันยังร้องก็เอาของมีเสียงให้ฟังยังร้อง ก็เอาของให้กินอาจจะหิวพอได้กินแล้วหยุดร้องก็แสดงว่าได้สิ่งที่เขาอยากได้แล้วเดี๋ยวร้องอีกทีนี้อาจจะถ่ายท้องขึ้นมาปวดฉี่ขึ้นมาก็ต้องทำจัดการแก้ผ้าเปลี่ยนผ้าให้เขาล่ะนี่คือความอยาก ที่พอมีร่างกายแล้วก็จะเริ่มออกมาสแสดงความอยากตั้งแต่เป็นทารกเลยของพวกนี้ไม่แทบไม่ต้องสอนกันทุกคนเกิดมานี่อยากดูกันทั้งนั้นอยากดูหนังดูละครอยากจะดูอะไรอยู่บ้านมันไม่เหมือนกับออกไปนอกบ้านฮะทุกคนอยากจะออกนอกบ้านฮะ เด็กเวลาเราพาออกไปนอกบ้านมันก็ดีอกดีใจอพอกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวมันก็งองแงอ่อ น, นี่คือความอยากที่ติดอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เป็นตัวพาให้เรามามีร่างกายอยู่เรื่อยๆมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพากจากกันมาเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอมาเจอคนที่เราไม่อยากเจอมาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเจอก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมาเกิดท่านก็มาต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายที่ท่านไม่อยากจะเจอ ต้องมาเจอการพัดภาคจากกันท่านก็ไม่อยากจะเจอแต่ท่านเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความขวนขวายเมื่อรู้ว่าตนเองมีปัญหาก็อยากจะหาวิธีแก้ปัญหานี้พระพุทธเจ้าก็เลยไปศึกษากับคนที่ท่านคิดว่าสามารถสอนท่านให้ท่านไม่ต้องทุกข์กับ สิ่งต่างๆที่ท่านจะต้องเจอเอจะไม่ทุกกับการแก่การเจ็บการตายก็เลยไปออกบวชออกบวชท่านมีฉันทะอการออกบวชของท่านนี้ท่านมีเป้าหมายท่านมีความหวงังหวังว่าบวชแล้วจะได้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเอท่านถึงไปบวช เพราะท่านได้ข่าวว่าพวกนักบวชนี่เขาเป็นผู้แสวงหาวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนั้นเองอท่านก็เลยเกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะออกบวชเพราะถ้าอยู่แล้วไม่ได้บวชนี่ยเดี๋ยวจะต้องทุกข์เดี๋ยวเวลาแก่จะต้องทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวไปหาหมอ ไปตรวจโรคหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยทุกขึ้นมาทันทีเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็ น, ไ ข, นไขมันอุดตันเป็นโรคอะไรต่างหลายอย่างโรคซึมเศร้าโรคแอลไซเมอร์โรคพาร์กินสันพอเจอโรคเหล่านี้ทีนี้ ความทุกข์มันเข้ามาเต็มที่นะพระวทธเจ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์เหล่านี้พอรู้ว่ามีนักบวชที่เป็นผู้แสวงหาวิธีดับทุกข์ mm. ก็เลยอยากจะไปพบกับพวกนักบวชไปอยู่กับพวกนักบวชไปเรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไป นี่คือข้อที่หนึ่งคือฉันทะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีที่จะสละราชสมบัติมีควยินดีบ้างที่จะสละสมบัติที่มีอยู่สละสามีสละภรรยาสละลูกเห็นมนี่พระพุทธเจ้าสละภรรยาสละลูกทั้งทั้งที่รักแสนจะรักท่านก็เหมือนเราท่านก็รักภรรยาของท่านท่านก็รักลูกของท่าน แต่ท่านเห็นว่าต่อไปมันจะทุกข์ท่านไม่อยากจะทุกข์ท่านก็เลยยินดีที่จะสละสิ่งที่ท่านรักไปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาคือถ้าอยู่กับลูกกับภรรยาอยู่กับสมบัติก็อยู่อยู่กับความสุขชั่วคราวตอนที่ยังไม่ แก่ตอนที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ยังไม่ตายก็สามารถหาความสุขต่างๆได้แต่ต่อไปรู้ว่าเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่จะหาไม่ได้อง ก, ก็เลยต้องทงต้องเลือกทางว่าจะเอาอย่างไรจะเอาทางเอาการพ้นทุกข์หรือว่าจะเอาความสุขชัวข่วคราว ก็ตัดสินใจว่าการพ้นทุกข์มันต้องดีกว่าความสุขชั่วคราวจึงเกิดฉันทะขึ้นมาด้วยความยินดีที่จะออกบวชเพื่อที่จะไปหาวิธีดับความทุกข์พอมีฉันทะแล้วธรรมะข้อที่สองคือวิริย ะ, ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คืออิทธิบาทสี่ พอมีความยินดีแล้ววิริยะมันมาเอง uh huh. นี่จะมีความขยันที่จะไปศึกษาไปปฏิบัตินะ uh huh. เพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไป uh huh. ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา uh huh. ก็มีความยินดีที่จะเรียนให้จบป ร, ริญญาเ uh huh. พราะรู้ว่าคนที่จบป ร, ริญญานี้ uh huh. ได้ดิบได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้จบป ร, ริญญา uh huh. เด็กสมัยนี้จึงแข่งขันเรียนกันเป็นบ้าเลยเนเพราะอยากจะจบเป็นยาอยากเป็นหมออย า, ยากจะเป็นวิศวะอยากจะเป็นอะไรกันก็ต้องแข่งกันนะมีฉันทะเด็กสมัยนี้มีฉันทะมากเรียนแล้วยังต้องไปเรียนพิเศษต่ออีกเรียน้ะโรงเรียนแล้วออกจากโรงเรียนแทนที่จะได้กลับบ้านไปเรียนพิเศษต่ออีกนี่นะคือฉันทะ เด็กพวกนี้เขามีความยินดีที่จะเรียนเพราะเขารู้ผลของการเรียนจบว่าจะได้อะไรมานั่นเองเพอมีความยินดีความขยันก็มาวิริยะก็คือความขยันขยันที่จะดูหนังสือขยันที่จะทําการบ้านขยันที่จะเข้าห้องเรียนเด็กที่เรียนไม่จบก็เพราะเด็กไม่มีไม่มีไม่มีอิทธิบาทสะ เด็กที่เรียนไปไม่ไกลบางคนจบป .6 ก็หมดแรงแล้วหมดกำลังแล้วฉันทะหมดพอฉันทะหมดวิริยะก็หมดจิตตะวิมังษาก็หมดแต่ถ้ามีฉันทะอยู่วิริยะก็จะตามมาถ้ายังมีความยินดีที่จะเรียนจบป .6 ก็เข้ามัธยมต่อจบมัธยมก็เข้ามาหาลาัยต่อจบปริญญาตรีก็ต่อโท จบโทรบางคนก็ต่อเอกเนี่แสดงว่าไฟยังไม่หมดถ้าเป็นน็ตก็น้ํามันยังไม่หมดถ้าน้ํามันไม่หมดก็วิ่งไปเรื่อยต่อวิ่งไปไปจนกว่ามันจะหมดเนี่ยอิทธิบาทสี่เป็นเหมือนน้ํามันขับเคลื่อนจิตใจของพวกเราให้พาจิตใจของเราให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะไปกัน สำหรับพระพุทธเจ้าท่านก็ไปนิพพานท่านก็มีฉันทะที่จะปฏิบัติธรรมที่จะออกบวชท่านก็เลยสละราชสมบัติพอมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะความภาคเพียรเพียรปฏิบัติศึกษาจากครูอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามที่ครูอาจารย์สอนทําได้ทุกอย่างตามที่อาจารย์สอนจนกระทั่งอาจารย์ไม่รู้จะสอนอะไร ก็ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายเพราะอาจารย์รู้เพียงครึ่งทางนั้นเองรู้ทางไปสู่นิพพานเพียงครึ่งทางยังไปไม่สุดทางทางที่จะต่อจากครึ่งทางไปนี้ไม่มีใครรู้เ อ, อทุกคนอาจารย์ทุกองค์สอนให้ดับความทุกข์ได้ชั่วคราว เ, ออเวลาไม่สบายใจเวลาทุกข์ใจกับเรื่องอะไรก็สอนให้เข้าสมาธิไป เวลาเข้าสมาธิใจก็สงบใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการสูญเสียพัดภาาแต่พอออกจากสมาธิมาใจพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไปคิดถึงการพัดผ้าจากคนที่เรารักใจก็ยังทุกข์ขึ้นมาได้ไม่มีใครรู้วิธีว่า ทำอย่างไรไม่ให้ทุกโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิให้หายทุกอย่างถ้าวอนเมื่อไม่มีใครสอนให้พระพุทธเจ้าดับความทุกได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นให้ดับความทุกได้ตลอดเวลาเมื่อไม่มีใครสอนพระองค์ก็เลยต้องขวนขวายศึกษาค้นคว้าเอาเอง ไฟยังมีอยู่มีวิริยะมีจิตตะวิมังสาวิริยะคือความเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมจำคำนี้ไว้นี่คือวิริยะจิตตะก็คือใจจดจอ่อจดจ่ออยู่กับงานที่เราต้องทำที่เราอยากจะทำไม่ไปคิดถึงเรื่องไม่ไปจดจ่อกับเรื่องอื่น เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กถ้าอยากจะจบป ร, ริญญาก็จะจดจ่ออยู่กับร่างกายล่มเรียนจะไม่ไปจดจ่ออยู่ ก, การเล่นเกมดูหนังจดจ่อกับการไปเที่ยวตามศูนย์การค้าต่างๆนี่คือจิตตะแปลว่าจดจอดึงจิตให้อยู่กับงานเพราะถ้าจิตไม่อยู่กับงานก็ไม่ได้ทำงานนั่นเองเมื่อไม่ได้ทำงานผลก็จะไม่เกิดความสาเร็จก็จะไม่เกิด ใจ ต, ต้องจดจ่ออยู่งานอยู่กับงา น, งานใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไปเพื่อนมาชวนไปเล่นก็ไม่เล่นชวนมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวบอกไม่เอาจะดูหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ข้อที่สี่ก็วิมังษาก็คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่คิดอยู่กับงานของเราเราทำงานตอนนี้ขาดอะไรเกินอะไรต้องรู้อันนี้ต้องใช้ความคิดถึงจะรู้ เรียนมากเกินไปหรือเปล่าเริ่มเรียนน้อยเกินไป เ, เรียนมากเกินไปบางทีมันก็ทําให้สมองตื่อสมองทึบได้ก็ต้องพักผ่อนเดี๋ยว เ, เดี๋ยวพอหายแล้วค่อยกลับมาเรียนต่ออไม่ใช่เรียนอย่างเดียวจะแต่เรียนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้สมองมันตื่อสมองมันทึบก็ต้องมีการพักสมองบ้างะ มีการไปผ่อนคลายบ้างไปเดินออกกำลังกายหรือไปทำอะไรชั่วคราวเพิ่มให้หยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเรียนเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามถ้าใช้สมองใช้จิตคิดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะตื้อขึ้นมาเป็นเหมือนมีดมีดถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทื่อแล้วมันฟันยังไงมันก็ไม่ขาดต้องไปรับมีดก่อน ต้องไปรับสมองต้องไปพักจิตก่อนต้องไปเปลี่ยนความต้องไปทําอะไรผ่อนคลายอันนี้เรียกว่าวิมังสาคือต้องคิดอยู่เกี่ยวกับงานที่เรากําลังทําว่าเราทําถูกไหมเราทําน้อยไปหรือเปล่าเราทํามากไปหรือเปล่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีะเพระพุทธเจ้าตอนที่ไป ทดลองคน้นคว้าวิธีดับความทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิบางคนก็ทํามากเกินไปครับมะไปลองกดข้าวถึงสี่สิบเก้าวันนี่ความทุกข์ก็ยังไม่ดับนี่ก็ต้องใช้วิมังสาพิจารณาว่าเออเราทํามากเกินไปทําผิดเนี่ยทำแล้วมันนี่ถ้าถ้าอดต่อไปก็มีแต่จะตายอย่างเดียวแต่ความทุกข์ไม่ได้ตายเอไปกับร่างกาย เมื่อเห็นว่ามันเป็นไม่ใช่ทางก็ต้องย้อนกลับมานี่คือวิมังสาแต่ถ้าคนไม่มีวิมังสาก็จะหัวชนกำแพงอย่างเดียวยอมตายอย่างเดียวยอมตายก็ไม่ใช่ทางอดต่อไปก็ตายแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ตายไปกับความตายของร่างกายพระพุทธเจ้าก็เลยใช้วิมังสาความค่ายควร ควคิดคข่ควรเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกมากหรือน้อยเกินไปพระองค์ยังมีคําตัดว่าต้องเป็นเหมือนสายพินสายพินนี่ถ้าขึงมันตึงเกินไปมันก็ขาดถ้าหย่อนเกินไปมันก็ดีดไม่ได้ไม่มีเสียงมันต้องพอดีไม่ตึงเกินไปไม่ตึงจนขาด ไม่หย่อนจนไม่สามารถดีดให้มีเสียงขึ้นมาได้ความเพียรพยายามก็เหมือนกันถ้าเพียรพยายามมากเกินไปมันก็แทนที่จะได้ประโยชน์มันอาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาได้เพราะมันไม่ได้ผลและอาจจะทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายนอ้นเมื่อมันถ้าไม่มีวิมังษาไม่ ไม่ตรวจสภาพไม่คิดรอบคอบก็อาจจะไม่รู้ว่าทำถูกหรือไม่ถูกอย่างไรถ้ายังคิดไม่ออกคิดไม่เป็นก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้ก็เป็นวิมังสาอีกแบบหนึ่งเมื่อเราไม่สามารถแก้ปัญหาของเราได้เราก็ต้องไปสอบถามอาจารย์ว่าทำไมถึงติดอยู่ตรงนี้ทำไมมันไม่ไปพออาจารย์ทราบอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อ มันต้องไปทางนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วถ้าไปต่อต่อมันก็มันมันถึงมันมันสิ้นทางของมันแล้วจะไปต่อต้องไปอีกทางหนึ่งเช่นการปฏิบัตินี่ถ้าปฏิบัติได้สมาธิแล้วมันก็ได้แค่นั้นมันจะไปต่อเกินนั้นไม่ได้มันอยากจะไปต่อให้ไกลกว่านั้นมันต้องไปปันทางปัญญาแล้วอันนี้ ถ้าไม่มีอาจารย์คอยแก้ปัญหาหรือถ้าตัวเองรู้ก็ไม่ต้องหาอาจารย์ถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วว่าพอได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปต้องไปทางปัญญาถ้ายัางไม่ไปทางปัญญาก็ได้แค่สมาธิได้แค่ความสงบในขณะที่จิตสงบดับความทุกข์ได้ในขณะที่จิตอยู่ในความสงบ แต่ถ้าอยากจะดับความทุกข์ในเวลาที่ออกจากสมาธิมานี้ต้องไปทางปัญญาถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ต้องไปทางปัญญาแต่บางทีไปทางปัญญาก็ไปไม่ถูกไปแล้วแทนที่จิตจะไม่ทุกข์จิตกลับทุกข์ก็ยังแสดงว่าไปผิดทาง ปัญญาก็มีทางถูกและมีทางที่ผิดเนี่ยถ้าไปทางความอยากมันก็ไม่บรรลุได้ไม่สำเร็จได้อย่างพระอาน์นี้อยากจะบรรลุนิพพานก็ทำความเพียรแบบไม่หยุดไม่หย่อนพิจารณาปัญญาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนพิจารณาตามความตามความอยากมันเลยดับไม่ได้มันเลยบรรลุไม่ได้ออ ถอนพอเปลี่ยนใจพอบอกว่าคงบรรลุทางนี้ไม่ได้แล้วก็เลยไปพักดีกว่าพอไปพักก็จิตก็บรรลุเลยเพราะตัวความอยากที่ขวางจิตให้บรรลุมันมันถูกกำจัดไปพอไม่อยากจะบรรลุมันก็เลยบรรลุขึ้นมาเหมือนกับคนนั่งสมาธิพออยากให้มันสงบมันไม่สงบหรอกเวลานั่งสมาธิอยากไปอยากให้มันสงบมันไม่สงบ มันจะสงบก็ต่อเมื่อเราไม่ได้อยากให้มันสงบเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปดูลมหายใจไปอย่าไปอยากให้มันสงบขณะที่นั่งถ้าอยากแล้วจะไม่สงบเพราะมันไม่ได้อยู่กับพุทธโธนะั่นเองเวลามันอยากมันจะอยู่กับความอยากเมื่อหไหร่จะสงบทักทีทำไมมันยังไม่สงบถ้าคิดอย่างนี้แล้วจิตจะไม่สงบคราวที่แล้วสงบทาไมคราวนี้ไม่สงบ เป็นเพราะอะไรแทนที่จะหยุดคิดมันยิกไปคิดใหญ่เพราะความอยากนั้นเวลานั่งสมาธิจะให้มันสงบนี้ต้องอยากก็อยากให้มันสงบคราวที่แล้วมันสงบก็มันผ่านไปแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วคราวนี้อยากจะให้มันสงบก็ต้องหยุดคิดเท่านั้นหยุดความอยากเท่านั้นจะหยุดความอยากหยุดความคิดก็ต้องอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมอย่างเดียว ถ้ากลับมาอยู่กับลมอย่างเดียวดูลมเข้าลมออกไม่มีความอยากมันจะสงบไม่สงบไม่สนใจอย่าไปสนใจอย่าไปอยากหรืออยู่กับพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปอยากให้มันสงบเดี๋ยวมันก็สงบเองนี่คือการปฏิบัติ <c oughs> ที่จงทายเขาเรียกว่าวิมังสาความรอบคอบ ต้องรู้จักคิดว่าเรากําลังทําอะไรสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ทําถูกหรือเปล่าถ้าถ้าทําไม่ถูกมันไม่เกิดผล <c oughs> ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องลองวิธีใหม่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องลองผิดลองถูกดูตอนต้นคิดว่าความทุกข์เกิดจากที่ร่างกายแต่พอ จะไปทำให้ร่างกายมันตายมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่หายทุกความทุกข์ก็ไม่ลดน้อยลงแต่อย่างใดก็เลยรู้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ที่ใจก็ต้องมาแก้ที่ใจเปลี่ยนจุดใหม่แทนที่จะไปอดข้าหารเพื่อดับความทุกข์ก็ต้องมามาอดใจมาทำใจให้สงบ แล้วก็ค้นหาว่าอะไรที่ทําให้ใจทุกข์พอกลับมาค้นที่ใจก็เลยเจอตัวปัญหาตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัวกิเลสตัณหานี่เองตัวความอยากต่างๆพอเวลามีความอยากนี่ใจจะไม่สบายขึ้นมาทันทีอยากได้อะไรใจจะกะังวนกังวายกังสารกังสายถ้าอยากได้มาก ทนไม่ไหวบางทีจะต้องไปบ่นบานออกลัวจะไม่ได้ เ, ออเนี่ยคือความทุกข์ใจเกิดขึ้นถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องไปบนบานใช่ไหมออถ้าไม่อยากได้อะไรก็อยู่เฉยๆสบายออแต่พออยากแล้วนี่มันยังไม่ได้นี้ใจมันจะดิ้นหาแล้วสออิทำยังไงถึงจะได้ออมีใครมาแนะนำบอกให้ไปวัดนู้นไปวัดนี้สิออไปกันแล้ว ก็าอยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้เพราะอยู่เฉยๆมันไม่เป็นสุขซะแล้วอยู่แล้วใจมันหงุดหงิดลำคาญเศร้สาสร้อยงอยเหงาว้วาเวไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจต้องไปทำอะไรให้มันได้สิ่งที่อยากได้นี่คือปัญหาคือเราไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเรา การที่จะทำให้ใจเราหายจากความไม่สบายไม่ใช่เป็นการไปทำตามความอยากเพราะถ้าไปทำตามความอยากความอยากมันไม่หายมันหายเดียวๆมันหายชั่วคราวพอได้สิ่งที่เราอยากได้มาความอยากได้นั้นก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่สิเดี๋ยวอยากจะได้อีกแล้วได้หล น, นี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ผลแล้วเช่นไป แทงหวยงวด น, นี้ถูกงวดหน้าอยากจะได้ก็ปะ่ะมันก็อยากขึ้นมาอีกแล้วพอไม่ได้ก็รู้สึกหงุดหงิดเวลาหวยออกเราไม่ถูกนี่เป็นไงคอพับเศร้ า, า, า น, นี่คือผลที่เกิดจากการมีความอยากในใจพระพุทธเจ้าก็เลยค้นพบตัวการตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจ อ, อยู่ที่ให้ความอยากนี้เอง เตุที่ตอนที่อยู่ในสมาธิแล้วมันไม่มีความทุกข์ก็เพราะว่าตอนที่อยู่ในสมาธิจิตมันสงบจิตไม่คิดความอยากก็เลยโผล่ขึ้นมาไม่ได้ก็เลยไม่มีความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอคิดปั๊บมันไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงเงินคิดถึงหนี้ต้งที่จะต้องจ่ายก็ต้องหาเงินแล้วสิอยากได้เงินมาจ่ายหนี้แล้วสะ ก็อยากจะแทงหวยนะสิอยากจะจะได้ถูกหวยจะได้เอาเงินมาใช้นี่วันเนาะวันหวยออกใจก็กวลกัง ว, วายใช่ไหมคนที่แทงหวยนี่กับคนที่ไม่แทงหวยนี่ใจไม่เหมือนกันใช่ไ้ยวันที่หวยออกคนที่ไม่แทงหวยไม่เดือดร้อนไม่สนใจหวยจะออกเบอร์อะไรเลขอะไรไม่เกี่ยวแต่คนที่หวังอยากได้เงินจากแทงหวยนี่โอ้โหใจคอ รอฟังเสียงเลขที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลขอะไรเลขท้ายสองตัวอะไรใจมันจะจ้องอยู่ตรงนั้นเน่ะเพราะความอยากอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าในที่สุดก็ค้นพบสาเหตุว่าทำไมจึงทุกเวลาที่ออกจากสมาธิมา ทุกพวกยังมีความอยากอยู่นั่นเองยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอรู้ว่าจะต้องแก่ก็ทุกครู้ว่าจะต้องเจ็บก็ทุกครู้ว่าจะต้องตายก็ทุกงั้นพพุทธเจ้าก็เลยลองมาเปลี่ยนใจดูเอา้ายอมแก่ดูซิว่าไหนๆก็ต้องแก่แล้วจะไปฝืนมันทําไมจะไปอยากไม่แก่ทําไม วิธีจะไม่หยุดความอยากไม่แก่ก็คือต้องยอมแก่ยอมแก่แก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปยอมเจ็บตายก็ตายไปพอยอมแล้วใจนี้หายทุกเลยแก่อย่างสุขเจ็บอย่างสุขตายอย่างสุขตายอย่างสบายนี่คือ ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อรู้ว่าการจะ ด, ดับพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ต้องเกิดจากการออกบวชเกิดจากการปฏิบัติธรรมก็ส่งออกบวชแล้วไปปฏิบัติธรรม ไปศึกษาจากผู้รู้ต่างๆแต่ผู้รู้ต่างๆก็รู้เพียงครึ่งทางดับความทุกข์ได้เพียงครึ่งเดียวดับความทุกข์ได้ในขณะที่เข้าไปในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาใจยังทุกข์อยู่ก็เลยต้องค้นคว้าด้วยตนเองใช้วิมังสาด้วยของตนเองในที่สุดก็ของค้นพบ ส่งคนพบว่าเกิดจากความอยากต่างๆและวิธีจะดับความอยากก็คือต้องไม่ทําตามความอยากเวลาอยากไม่แก่ก็ต้องบอกว่าต้องแก่ต้องยอมแก่เวลาเจ็บก็ต้องบอกต้องเจ็บอย่าหนีความเจ็บจึงนั่งสมาธินั่งเฉยไปเวลาเจ็บก็อย่าไปขยับเออยู่กับมันไป ปล่อยให้มันมาเองไปเองความเจ็บมันมาเองไปเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมาแล้วเดี๋ยวมันไปของมันเองมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปหนีมันอย่าไปหนีมันด้วยการลุกจากที่นั่งไปปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันหายเองถ้าเราไม่ไปลุกเดี๋ยวนั่งไปสักพักเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะหายเอง เวลาที่มันเจ็บรทนไม่ไหวก็ใช้สติช่วยพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปที่ต้องบริกรรมเพราะใจมันอยากอยากหนีอยากลุกเราต้องการหยุดตัวนี้ไม่ได้หยุดความเจ็บแต่หยุดตัวอยากที่อยากจะลุกอยากจะหนีจากความเจ็บนะถ้าเราบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันความอยากมันก็หยุดทำงาน พอความอยากที่จะลุกมันหยุดไปความทรมานใจก็หายไปก็นั่งต่อไปได้ความเจ็บก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อกี้นี่มีปัญหาเพราะมันทรมานความทรมานใจเกิดจากความอยากลุกอยากหนีจากความเจ็บ แ, แต่พอเราใช้สติบังคับมันหยุดมันไม่ให้อยากให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธ พอมันอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ลืมลืมความเจ็บไปลืมความอยากที่จะหนีความเจ็บไปพอมันลืมพอมันไม่คิดถึงความอยากจะหนีความอยากหยุดไปความทรมานใจก็หายไปใจก็ยึดนั่งอยู่กับร่างกายต่อไปได้ไม่เดือดร้อนก็เหมือนกับเวลาที่เรานั่งเล่นไพ่นั่งดูหนังนี่ เวลาปวดฉี่มันยังนั่งต่อไปได้เลยเพราะอะไรเพราะใจไม่ไปคิดถึงความปวดฉี่มันยังมันยังติดพันอยู่อาการเล่นไพ่อยู่ยังติดพันอยู่กับการดูภาพยนตร์ดูหนังอยู่ไม่อยากจะลุกไปเี่ยลุกไปเดี๋ยวกลับมาดูไม่รู้เรื่องนะมันก็เลยทนนั่งดูต่อไปได้ดูจนกระทั่งจบเลยเพราะว่ามันไม่ทรมานมันมันมันสนุกกับการดูมันก็เลยนั่งได้ แต่ถ้าให้นั่งเฉยๆพอปวดฉี่ปั๊บเดี๋ยวต้องรีบลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำนะให้นั่งสมาธิพอปวดหน่อยลุกไปทันทีเลยแต่ถ้าให้ดูหนังหรือเล่นไพ่อยู่ยิ่งกาลังชนะนี่โหนไม่อยากจะลุกเลยบางทีอยากจะให้มันฉี่ลาดตรงนั้นเลยถ้ากำลังกาลังชนะกาลังเล่นชนะนี่มันถือนะคนบางคนกำลังชนะนี่อย่าไปเปลี่ยนท่า เปลียนถ้า้เดี๋ยวกลับมาแล้วมันจะแพ้ก็เล่นต่อไปได้นี่คือใจความทรมานใจไม่ได้เกิดจากความเจ็บของร่างกายแต่เกิดจากความอยากหนีความเจ็บไปฉนั้นถ้าเราควบคุมบังคับใจไม่ให้หนีได้เพราะต่อไปเราหนีไม่ได้เวลาร่างกายมันเป็นอะไรเวลาไม่สบายจริงๆมันหนีไม่ได้ เวลาเป็นไข้เวลาที่มันปวดไปทั้งตัวนี่มันหนีไม่ได้เวลานั้นเราจะทุกข์มากถ้าเรามีความอยากจะหนีความเจ็บไปแต่ถ้าเรามีสติควบคุมบังคับใจไม่ให้หนีให้มันอยู่เฉยๆให้มันอยู่กับความเจ็บไปใจจะไม่ทรมานใจจะสงบเหมือนอยู่ในสมาธิแล้วความเจ็บของร่างกายก็จะไม่มา สร้างความสร้างปัญหาให้กับใจเพราะความตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายตัวที่เป็นปัญหาคือความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเลยอยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปอันนี้คือวิธีที่เราจะสามารถยอมเจ็บได้อย่างไม่ทุกข์เจ็บอย่างไม่ทุกข์ก็คือปล่อยให้มันเจ็บไป อย่าหนีความเจ็บไปอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปแล้วรับรองได้ว่าต่อไปร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนจะอยู่กับมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีอยู่กับมันถ้าเราสามารถควบคุมความอยากหนีจากความเจ็บได้รือควบคุมความอยากที่จะไปทำให้ความเจ็บนั้นหายไปเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ โดยที่ไม่ต้องกินยาก็าได้เวลาปวดศีรษะก็ไม่ต้องกินยามันปวดเองเดี๋ยวมันก็หายเองอไม่ต้องกินยาก็าได้กินยาแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาก็กินยาแล้วก็ไปติดยาเดี๋ยวเวลาไม่มียากินก็ก็ทุกข์ขึ้นมาอีกอย่างอันนี้คือเรื่องของวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ที่ทําให้พระพุทธเจ้านี้อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีอิทธิบาทสีนั่นเองแต่รู้ว่าการไม่มีความทุกข์นี่ดีกว่าการมีเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะาพระองค์มีเงินทองกองเท่าภูเขาอยู่แล้วแต่ก็ยังมีความทุกข์อย้่ฉะนั้นทรงรู้ว่ามีเงินทองไม่ได้ทําให้ความทุกข์หมดไป มีภรรยามีสามีมีลูกมีอะไรก็ไม่สามารถทำให้ความทุกข์หมดไปได้ความทุกข์จะหมดไปได้ก็ต้องไปบวชไปอยู่กับพวกนักบวชแล้วศึกษาจากพวกนักบวชเมื่อได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติตามก็จะสามารถดับความทุกข์ได้แต่ในสมัยนั้นดับได้เพียงครึ่งทางเพราะอาจารย์ที่รู้รู้เพียงครึ่งทางเท่านั้นรู้แค่ระดับสมาธิ แต่สมัยนี้พวกเราโชคดีเรามีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ท่านสอนให้เราดับความทุกข์ได้ถึงปลายทางเลยไปตลอดทางเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าสมาธิเท่านั้นเวลาไม่อยู่ในสมาธิก็ดับความทุกข์ได้ถ้ามีสติมีปรรัญญาเวลาเกิดความอยากก็หยุดความอยากเท่านั้นเองพออยากไม่แก่ก็ต้องหยุดมันอยากไม่เจ็บก็ต้องหยุดมัน อยากไม่ตายก็ต <hat> ้องหยุดมันเพราะปัญญาจะบอกว่ามันห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายเราห้ามมันไม่ได้หนีมันไม่พ้นทุกคนเกิดมาแล้วหนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แต่ไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไปมีความอยากที่จะหนีมันอย่าหนีมันถ้าอยากจะหนีมันแล้วมันจะทุกข์เพราะหนียังไงมันก็ตามมาจนได้ มันเหมือนเป็นเงาตามตัวความแก่ความเจ็บความตายจะหนีไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามมางั้นอย่าไปหนีมันให้เหนื่อยหนีแล้วมันทุกข์อย่าหนีสู้มันเผชิญหน้ากับมันเออ่วิธีที่พระเชษจะเจอมันอย่างไม่มีความทุกข์ก็ชอบมันสิรักมันเรักมันเหมือนเรารักแฟนเราเนี่ย พอเห็นความแก่ก็กอดมันเลยโอ้ยดีใจเหลือเกินได้เจอเธอแล้วความแก่พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็กอดมันเลยว่าวันนี้สบายดีใจที่ไม่สบายนานๆจะได้เพื่อนได้เจอแฟน ท, ทันทีถ้าเจอถ้าถ้าไปชอบมันแล้วเราก็จะไม่ทุกเวลาเป็นหวัดโอ้ยดีใจไม่ได้เป็นมานานแล้วที่ทุกเพราะว่าไม่อยากเจอมันใช่ไหม ไม่อยากอยากให้มันหายมันก็เลยทุกข์นี่อยากถ้าเราชอบอะไรเราไม่อยากให้เขาจากเราไปใช่ไหม <S <S เวลาเจอแฟนนี่เวลาแฟนจะไปนี่แหมไม่อยากให้ไปเล ย, ยนั้นพยายามพยายามมองว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นแฟนเราก็แล้วกันเวลาได้เจอเขาแล้วเราจะดีใจเราจะมีความสุขพอเราหนีเขาไม่พ้นอยู่ดียังไงเขาก็ต้องตามมาอยู่ดีแ ล, แล้วเราไปโกรธเขาไปเกลียดเขาทําไม สู้ไปรักเขาไปชอบเขาไม่ดีกว่าเลยองั้นหัดชอบเสียนะหัดชอบสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็หัดเกลียดสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเราไปชอบสิ่งที่เราชอบเดี๋ยวเวลามันจากเราไปเราก็จะเสียใจยังเวลาถ้าเราชอบอะไรเราต้องหัดเกลียดมันอย่าไปชอบมันเพราะเวลาถ้าเราไม่ชอบมันแล้วเวลามันจากเราไปเราจะไม่เสียใจเห็นตอนนี้เราชอบใครต้องไปหัดไม่ชอบเสียนะ ชอบแฟนก็หัดไม่ชอบเสียเพราะว่าต่อไปมันเขาจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปนักลูกก็ต้องหัดไม่ชอบมันบ้างออรักเงินทองก็หัดไม่ชอบมันบ้างออไม่ชอบก็คือเอาเงินไปทําบุญทําทานเนี่ยนี่วิธีการหัดไม่ชอบเงินทองต่อไปเวลาเงินทองไม่มีมันจะได้ไม่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจรรเราต้องมาหัดทําใจใหม่ ทำใจให้เราไม่ชอบกับสิ่งที่เราชอบทำใจให้เรารักในสิ่งที่เราไม่ชอบวิธีที่จะทำใจให้เราทำอย่างนี้ได้ก็คือให้ไปมีสติพุทโธพุทโธไว้ให้ทำใจให้เฉยเฉยพอใจเฉยเฉยก็เหมือนกับชอบสิ่งที่มาเราก็เฉยสิ่งที่เราไม่ชอบมาเราก็เฉยได้สิ่งที่ไม่ชอบจากเราสิ่งที่เราชอบจากเราไปเราก็เฉยได้ไม่เสียใจ เพราะเราไม่มีความชอบหรือไม่ชอบกับสิ่งต่างๆการที่เราให้ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อให้เราหยุดความไม่ชอบออให้เราไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเพื่อให้เราหยุดความชอบออต่อไปเราจะได้เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พบปะนี้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไป มันไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายของเราก็มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปถ้าไปชอบมันเวลามันไปก็จะเสียใจถ้าเราเฉยๆกอหัดไม่ชอบมันบ้างแต่อย่าไม่ชอบจนถึงไปเกลียดมันเพราะเกลียดมันเดี๋ยวอยากจะฆ่าตัวตายให้มันให้มันไม่ชอบให้มันเฉยๆอย่าไปชอบ เวลามันชอบอะไรก็ต้องไปทําให้มันไม่ชอบเพื่อมันจะได้เฉยเฉยเวลาเกลียดอะไรก็ต้องไปทําให้มันไม่เกลียดนะมันจะได้เฉยเฉยกับสิ่งที่เราเกลียดได้ตอนนี้เราเกลียดความแก่เกลียดความเจ็บเกลียดความตายวิธีที่จะทําให้เราเฉยก็ต้องหัดชอบมันก่อนชอบความแก่ชอบความเจ็บชอบความตายพอเราชอบแล้วมันก็จะมาทาให้ความไม่ชอบความเกลียดหายไป พอความเกลียดหายไปเราก็หยุดชอบเราก็เฉยๆกับมันได้นี่คือวิธีการของปัญญาของสติที่จะทำให้ใจเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆได้จะไม่อยากกับความแก่ความเจ็บความตายมันจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่มีความอยากกับใครทั้งนั้น ใครจะอยู่ก็อยู่ไปใครจะไปก็ปล่อยเขาไปไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเข้าของเงินทองมีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีไม่มีอย่างมากก็แค่ตายไม่ช้าก็เร็วก็ตายอยู่ดีมีมากมีน้อยก็ตายเหมือนกันแต่ใจไม่ยินดียินไายพูดง่ายๆมาฝึกจิตให้เฉยๆวิธีจิตจะเฉยๆได้ต้องมีพุทธโธพุทธโธ หยุดความอยากความอยากทำให้ใจเราไม่เฉยความอยากความคิดทำให้เราใจไม่เฉยเพราะคิดถึงสิง่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเั้นเราเวลาไปอยากได้อะไรเราก็ต้องพุทโธพุทโธไปอย่าไปทำตามความอยากต่อไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วเดี๋ยว ต่อไปความอยากที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหมดไปอย่างคนอยากสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบบุหรี่เฉยๆไปต่อไปความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปอันนี้คือวิธีที่พระพุทธเจ้าส่งคนผมวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดไปอย่างท้าวรน โดยที่ไม่ต้องเข้าไปหลบในสมาธิถ้ามีปัญญามีสติก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ปัญญาจะบอกว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทรมานใจถ้าไม่อยากทรมานใจหยุดความอยากนี้ด้วยการใช้สติเพราะความอยากมันออกมาจากความคิดหยุดความคิดความอยากก็จะหยุดไปพุโทโธพุโทโธไป ต่อไปก็จะไม่มีความความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะเป็นนิพพานนี่คือผลที่เกิดจากการมีอธิบาทสีของพระพุทธเจ้ามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อพระนิพพานก็เลยจละราชสมบัติออกบวชยินดีที่จะปฏิบัติยินดีที่จะบวชยินดีที่จะ ทำความภาคเพียนของนักบวชเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิปัญญาไปใจก็จดจ่ออยู่กับงานนี้อย่างเดียวไม่ไปไม่ไปเที่ยวไม่ไปไหนไม่ไปหาใครทั้งนั้นเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติทําไปเพียงอย่างเดียวมืบางสาก็ใจก็คิดอยู่ว่าทําถูกไหมทําผิดไหมทํามากเกินไปหรือเปล่าทําน้อยเกินไปหรือเปล่า สังเกตดูทำอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างไรทำอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างไรก็จะต้องใช้ความคิดวิมังสาก็วิมังจะความคิดก็จะอยู่กับการปฏิบัติไม่ได้ไปอยู่กับการไปเที่ยวที่นั่นการไปหาเพื่อนการไปหาแฟนการไปหาใครต่างๆอยู่กับการปฏิบัติคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นจงึงทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เราก็เป็นศาสดาเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึงบัดนี้เกิด <g ul od ic> จากการมีอิทธิบาทสี่ <g ul od ic> พวกเราก็สามารถไปนิพพานได้สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้ถ้าเรามีอิทธิบาทสี่ <g ul od ic> มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉั้นขอให้พวกเราที่ต้องการความสําเร็จไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรม ขอให้เรามาสร้างอิทธิบาทศีกันแล้วเราจะสามารถทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำให้สำเร็จรุ่งเรื่องไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากกลัง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 จันโทปัณะอาราโสยะธาเมณิจดีอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะภิวาธนาสีลิสะนิจจังวุทาปจายิโน จตารโรัมมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้ f a c e b o o สา7 6 y อ u เจ็ดสิบหกยูทูหนึ่ง้อยแปดสิวิทยุออนไลน์สสิบห้ารักความบนเขาสสิหรวมทั้งสิ้นห2ร้อยเจ็ดค่ะ ใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้จะขึ้นมาเอาไมโครโฟนพูดก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้แต่จะไม่มีถามหลังใหม่ถามตอนนี้พอเลิกประชุมก็จบถ้ายังไม่มีใครส่งเข้ามาก็ถ้าทางบ้านมีข้อความาอะไรก็ส่งเข้ามาได้ ค่ะคำถามแรกค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการภาวนาครับแม่ผมบริกรรมภาวนาพุทธโธได้คุยกับแม่แล้วบอกแม่ว่าพุทธแล้วแม่จะหยุดจังกว่าจะชัดแล้วแม่ก็จะโทคำว่าพุทธกับโธห่างกันมากเวลาเดินจงกรมก็เดินช้าพุทก้าวช้าพอนึกชัด แล้วถึงก้าแล้วโทรจิตก็ไม่สงบเลยผมแนะนำแม่ว่าให้แม่พุดโทรเร็วๆแม่ก็ไม่เชื่อครับแม่บอกว่าต้องพอดีกับแต่ละคนอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าพุดโธรควรจะเร็ ว, เ, รวเท่าไหร่อย่างไรเรียกว่าพอดีต้องเร็วช้าขนาดไหนที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิครับกราบนมันส ก, การครับผมก็ธรรมดาก็แบบที่เราคุยกันนะ เราคุยอย่างไรแล้วก็พูดโทรอย่างนั้นเราแบบเป็นธรรมชาติเป็นปกติจังหวะแบบเวลาที่เราพูดคุยกันนะตอนนี้เราพูดอย่างนี้เราก็พูดโทรอย่างนี้ไปแต่เราอาจจะมีการปรับให้มันเร็วขึ้นก็ได้หรือถ้าเราเหนื่อยในบางเวลาเราอาจจะช้าลงก็ได้อันนี้แล้วแต่ เหตุการณ์แต่ถ้าโดยปกติเราก็เอาความเร็วที่เราใช้กับเวลาที่เราพูดเราใช้ความเร็วกับการพูดอย่างไรเราก็พูดโทอย่างนั้นเช่นตอนนี้ถ้าให้จะเริ่มก็ให้พูดโทพูดโทพูดโทพูดโทไปคือให้มันสบายช้าเกินไปมันก็เป็นเหมือนกับการไปฝืนจังหวะเร็วเกินไปก็ไปฝืน เไม่ต้องไปฝืนเอาให้มันเป็นธรรมชาติของเร า, เ, าเราพูดช้าเร็วเราก็พุโทโธช้าเร็วตามการพูดของเราไปแต่บางเวลาถ้ามันมันมีความจำเป็นก็ต้องให้มันเร็วขึ้นบ้างก็เร็วได้เช่นเวลาเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วใจมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธเราก็อาจจะบังคับให้มันเร็วขึ้นหน่อย เมื่อมันจะได้เกาะติดกับพุโทโธต่อไปเพราะมันจะไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ต้องดึงมันให้กลับมาพุโทโธเราก็อาจจะต้องให้มันเร็วขึ้นอย่างนี้ก็ปรับได้คำถามข้อต่อไปจากทางยู u b e ค่ะจากคุณใหม่ค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะ ตื่นนอนตอนเช้ามืดประมาณตีสี่นั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะบางวันมีอาการง่วงมากนั่งก็ไม่สงบเหมือนมีอาการเพลียง่วงค่ะล้างหน้าก็ไม่หายจะอดทนนั่งให้ครบเวลาหรือควรนอนพักผ่อนคะถ้ายิ่งเดินจงกรมก็จะง่วงค่ะพอเดินแล้วหลับตาเหมือนจะหลับค่ะรู้สึกว่าจิตไม่ได้ง่วงแต่ความม่วงอยู่ที่ตรงหน้าผากค่ะจะปฏิบัติอย่างไรดีคะ คือมันความง่วงมันมีสองอย่างง่วงเพราะร่างกายมันขาดการพักผ่อนหลับนอนก็ต้องให้มันหลับนอนพอสมควรตามความต้องการของร่างกายแต่ถ้ามันหลับนอนพอเพียงแนละ้วมันยังง่วงอีกก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นนิวร อ, อันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหารทำให้ร่างกายมันหิว พอหิวมันก็จะไม่ง่วงหรือถ้าเราผ่อนไม่ได้อดไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวถ้าอยู่ที่ไหนมันมีผีมีอะไรที่ทน่ากลัวอันตรายมันจะไม่ง่วงนะยันต้องต้องแยกแยะดูว่าหนึ่งร่างกายมันพักผ่อนพอเพียงหรือไม่ถ้าไม่พอมันก็ต้องให้มันนอนพักผ่อนให้พอเพียง ถ้าบรรพักผอนพอเพียงแล้วมันยังง่วงอกีกก็แสดงว่ามันเป็นนิวรนเป็นกิเลสที่เราจะต้องใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งแก้เช่นไปอยู่ที่นาไปนั่งที่นั้นนากรัวรนอา้าป่าที่ท่านไปอยู่ป่าคนเดียวเนี่เพราะทำให้ท่านไม่ค่อยง่วงถ้าอยู่ที่มันมีภัยอันตรายรอบด้านมันจะต้องระมัดระวังมีสติ แต่บางทีขนาดนั้นก็บางทีอยู่ไปสักพักมันชินมันก็ยังง่วงได้บางทีท่านก็ต้องมีวิธีแก้บางองค์ท่านก็ไปนั่งที่หน้าผาเลยั้า ง, ง่วงก็หวัวเท่มตกลงผาไปเลยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่กล้า ง, ง่วงยังง่วงยังไงมันก็ไม่กล้า ง, ง่วงนะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูวิมังษาดูว่ามันเกิดจากอะไร ถ้าร่างกายไม่พักผ่อนไม่พอเพียงก็ต้องให้มันพักผ่อนให้พอก่อนถ้ามันพอแล้วยังง่วงอีกก็ต้องเนีย่ยต้องใช้มาตรการผ่อนอาหารอดอาหารกินให้มันน้อยลงหนังท้องตาหนังท้องตึงแล้วหนังตา ม, มันจะหย่อนเพราะฉนั้นอย่าให้มันตึงแล้วหนังตาก็จะได้ไม่หย่อนมีมีคําถามหรือเปล่าเดี๋ยวขอส่งไมโครโฟนไปหน่อยอ่า พ้องเชิมารับไมโครโฟนไปให้ันที่ก็อยากถามหน่อยอพูดช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเพราะไมโครโฟนมันไม่ไวต้องพูดใกล้ๆปากมันถึงจะดังใกล้ๆปากค่ะหลวงพ่อหลังจากที่สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยดูคนแผ่เมตตายอย่างไรค ะ, ะเมตตาไม่ได้แผ่ตอนสวดมนต์ หลั ง, ห ล, งหลังจากสวดมนต์สวดเมตตาสวดบทแผเมตตาก็ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสวดเข้าใจไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของการสวดมนต์เรียกว่าบทแผ่เมตตาเราสวดบทแผ่เมตตาเพื่ออะไรเพื่อสอนเราให้รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรสัพเพสัตตาเวลาหนตนตุแปลว่าอะไรจกไม่มีเวรกันเถิดยานตอนนี้เรามีเวรกับใครหรือเปล่า มีก็อย่าไปมีเวนถ้าอยากจะแผ่เมตตาเข้าใจไหม ใ, ใครเป็นลูกหนี้เราก็ยกหนี้เข้าไปเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่สวดเฉยๆสวดเฉยๆไม่เกิดผลเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาน ะ, ะเราต้องไม่มีเวนกับใครใครด่าเราแล้วก็สาทุไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเรียกว่าแผ่เมตตา ต้องทำตอนที่เราเจอกัน เ, เจอคู่เวรคู่กรรมก็สาธุไปแผ่เมตตาไปต่อไปนี้เราไม่จองเวรจองกรรมกับเธอแล้วอันี้แหละต้องแผ่ตอนที่เจอกันแต่ก่อนจะแผ่ได้ต้องซ้อมก่อนไงต้องคิดในใจก่อนกูจะแผ่ยังไงเวลาเจอคนทีเ่เราก็ต้องทำใจเฉยยกโทษให้เขาไปเอาัยเขาไป เ, าเราก็จะแผ่เมตตาได้ นะมันมีหลายวิธีนอกจากไม่เวทจองเวทแล้วยังต้องไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาพูดอะไรทำอะไรต้องระวังว่าทำไปแล้วทำให้เข า, เ, าเจ็บกายเจ็บใจหรือเปล่าอย่าไปทำเพราะจะเป็นการสร้างเวทนั่นเองถึง แ, แม้เราจะโกรธเขาเราก็ต้องเฉยแล้วพูดดีๆไป อ, อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาอีกวิธีหนเึ่งอยากให้เขามีความสุข มีเงินก็แจกให้เขาสิสุขขี้อัตานังปาริหารันตุขอให้จงมีสุขมีความสุขรักษาตนเถิดขอไม่ได้ต้องทำํำถ้าอยากให้เขามีความสุขเอาเงินไปแจกดูเสียข้องยิ้มแป้นเลยแจกแม่แจกแม่แจกใครก็ได้อยากให้ใครมีความสุขก็เอาเงินศัตรูก็ได้อยากให้เขามีความสุขไม่เขามาจองเวรจองกรรมกับเราก็แจกเงินให้เขาไป เดี๋ยวเขมีความสุขเขาก็ไม่มาจองเวรจองกรรมเราเข้าใจไหมการสวรดนี้เป็นการศึกษาเป็นการเตรียมตัวเพื่อเวลาอยู่ในเหตุการณ์เจอคู่อริเจออะไรต่างๆเราต้นจะได้แผ่เป็นเข้าใจไหมนี่คนเข้าใจผิดแค่ว่าสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตามันก็สวดอยู่แหละ ม, มันเพียงแต่สวดบทแผ่เมตตาเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้แผ่ มันไม่มีผู้รับไม่มีอะไรให้เขาอะเราไม่ได้ให้อะไรเขาเขาก็ผู้รับก็ไม่มีแล้วจะไปแผ่ให้ใครเราก็ไปคิดผีสางเทวดาที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่มันไม่มีหรอกนะงนั้นการการสวดให้เราเข้าใจสัปเเปสัตตาอเวลาหนตุแปลว่าอะไรออัปยาปัจชาหนตุแปลว่าอะไรอานิกาหนตุแปลว่าอะไร สุขียาตานังปริหะรันตุแปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือความเมตตามีอยู่สี่ลักษณะไม่จองเวรไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าแผ่เมตตาพอเรารู้แล้วทีนี้พอเราเจอใครก็แผ่เมตตาแล้วยิ้มให้เขาก็แผ่เมตตาแล้วหน้าเบื่อแย้เคี้ยวใส่เขาก็ไม่ได้แผ่เมตตาแล้ว พอเรายิ้มให้เขาเขามีความสุขไหมพ อ, อคนเราเจอเขายิ้มให้เราเรามีความสุขไหมถ้าเขายากเคียวบึมตึงใจเราเรามีความสุขไหมะะนะเข้าใจไหมอโอเคมีอีกไหมพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเสียงมันจะได้ดังจะถามเรื่องนั่งสมาธิะคะ่ะคือจากตัวเองนะคะก็จะสวดนมนต์สั้นๆแล้วก็นั่งทุกวันวันละ ได้เต็มที่สิบนาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยค่ะสติมันน้อยไงต้องฝึกสติก่อนมานั่งเดี๋ยวใครเอานมไปไล่กวางหน่อยมาเนีไม่ได้มันเดี๋ยวมันจะลามปามมันจะไม่กลัวเดี๋ยวมันจะลวยขึ้นมาศาลาเนะีย <c oughs> สติมันน้อยสติเป็นเหมือนน้ามันรถ่ย ถ้าแต่มน้ำมันน้อยมันก็วิ่งไปไม่ได้ไกลถ้าอยากใช่มันไกลต้องเติมให้เต็มถังเราต้องฝึกสติตลอดเวลามันถึงจะนั่งได้นา น, นต้องลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปก่อนแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิดเลเื่อยเปื่อยเวลาทํางานทําพุโทโธได้ค่ะแต่เวลาอพอต้องใช้สมาธิเวลาทํางานนะคะแต่ถ้าเวลาสดหมดหรือนั่งสมาธิได้เต็มที่ ประมาณสิบสิบห้านาทีนอกนจากจะฟุ้งกระจายเลยอ่ะก็ทําได้เนะลืมตาขึ้นมาก็พุทโทได้เราไม่ทํามันเราไม่ปล่อยให้มันฟุง้งมันก็ฟุ้งมาสิเราต้องบังคับมันปว<น>ดนะก็เราควจ ะ, ะต่อไปนี้นเราต้องตั้งตั้งจิตอธิฐานว่าพอลืมตาขึ้นมาจะพุโทโธไปมันจะหยุดคิดก็ต่อหยุดพุดโทโธต่อเมื่อต้องใช้ความคิดที่จําเป็นถ้าไม่ต้องใช้ความคิดที่จําเป็นก็ไม่ปล่อยให้มันคิดเพ้อเจอ้าเพ้อฝันอะไรไป ต้องหัดหยุดคุยกับตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองก็เป็นความคิดชอบคุยกับตัวเองไว้ทั้งวันอยุดไอ้ตัวนี้หยุดด้วยพุโทโธแทนที่จะคุยวันนี้จะทําอะไรดีไอ้คนนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้คุยกับตัวเองไว้ทั้งวันนอันนี้ก็คือความคิดดีๆนี่เองพอพอมานั่งมันก็อยากจะคิดต่ออยากจะคุยกับตัวเองต่อมันก็ไม่อยากจะพุโทโธมันก็ไม่อยากจะสวดมนต์เราต้องบังคับมันให้มันเลิกคุยกับตัวเอง แล้วให้มันมาพูดโทแทนแล้ว อ, อยู่กับบทสวดมนต์แทนก็ได้แล้วต่อไปตั้งสมาธิจะนั่งได้นานเพราะมันเหมือนกันเติมน้ํามันไงเติมสติสติมีมากรถนั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานรถเติมน้ํามันได้มากมันก็จะวิ่งได้ไกลน้ํามันน้อยก็วิ่งไปไม่ได้ไกลแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือขาดในเรื่องความสม่ําเสมอค่ะ กะนั่นสแล้วก็ต้องทําตารางไว้สิทําไมอย่างอื่นเราส ม, าสม่ําเสมอในเวลากินนมันส ม, สมน่ําเสมอพอมาปฏิบัติทำ ม, ม, มันไม่มปนสม่ําเสมอเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังเหมือนกับการกินนี่ใช่ไหมการกินนี่มันสม่ําเสมอขาดไม่ได้แต่พอการปฏิบัตินี้มันไม่เอาจริงเอาจังเหมือนกับการกินเหรอ ถ้าสวดมนต์ละได้ค่ะเสมอทุกวันแต่นั่งเนี่ยบางทีก็อย่ากอย่าทําให้แบบให้จบไปเพราะว่าต้องไปทํางานต่อใช่ไหมคะทำให้จบไปอ่ตั้งเิลาปลุกเลยว่าสิบนาทีสิบนาทีแค่เนี้ค่ะก็ทําไปทํำจากน้อยไปหามากก่อนอย่าไปอย่าทํามากกว่าที่เราทําได้เนี่ยมันจะท้อแท้เบื่อหน่อยทําตามกําลังเริ่มห้านาทีก่อนก็ได้สิบนาทีแล้วก็เพิ่มเป็นสิบห้าเป็นยี่สิบไป มันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่ต้องสม่าเสมอต้องไม่เว้นไม่เลิกนอกจากเหตุฉุกเฉินหรืออมีปัญหาร่างกายไม่สบายทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นปกติต้องทำเป็นเหมือนกับเวลาเรากินข้าวถึงเวลากินข้าวอะไรจะมาขวางก็หยุดเราไม่ได้เวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันอะไรจะมาขวางมาขัดก็ไม่ให้มันขัดไม่ให้มันขวาง คิดว่าเป็นเหมือนให้อาหารกับใจการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการให้อาหารกับใจการนั่งสมาธินี้เป็นอาหารอย่างหนึ่งของใจในใจเราผอมร่างกายเราอ้วนก็นเพาอย่างนี้เพราะเราให้ความสำคัญต่อร่างกายมากกว่าความสำคัญของใจใจผอมก็หลองแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกําลังจิตกําลังใจใช่ไม <c oughs> แต่ร่างกายนี่โอ้โห <laughs> ยังกระตุ่มนะ <laughs> เ <laughs> ข้าใจมถามีอีกหอีกเรื่องนึงค่ะบางครั้งเนี่ยเร า, เาคิดที่ในทางที่ดีแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็จะคิดต่อต้านในบางเรื่องค่ะแต่ว่า เราไม่ได้คิดนะคะแต่เขาขึ้นมาเอ ง, ง, เ อ, งอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณของเรานิสัยของเราก็แก้ได้ถ้ามันคิดไม่ดีก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าคิดแบบนี้ไม่ดีอย่าไปคิดออืที่สอนเขาคือการข่มหรือการสอน <กฎ S 2> ด้เหตุด้วยผลสอนด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็กดด้วยคือสอนว่าคิดแบบนี้ไม่ดีแล้วถ้าเขาจะคิดเราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันอบมเดี๋ยพมันขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะกดด้วยพุทโธแต่บางทีเงียบไปพักหนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกอ่ะก็นั่นแหละเขาต้อง ทุกครั้งขึ้นมาก็สอนมันคิดแบบไม่ไม่ดีคิดไปแล้วทําให้เราไม่สบายใจคิดแล้วเดียวทําให้เราไปทําอะไรเสียหายได้ให้คิดอย่างนี้สอนมันเอาทังต้องใช้เหตุผลนะ่ใช้การข่มด้วยเหมอบางทีสอนเด็กสอนเฉยเฉมันไม่เชื่อบางทีก็ต้องตีมันบ้างต้องข่มมันบ้างเหมือนมนอยู่แบบสองตัวอ่ะใจเรามันมัมีฝ่ายต่ําฝ่ายสูง่งมันผัดกันขึ้นมาบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดร้าย คิดไม่ดีดงนั้นเวลาคิดไม่ดีก็ต้องใช้เหตุผลมาสอนคิดแบบนี้ไม่ดีมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาตามมามคิดปล่อยวางดีกว่าใครจะดีใครจะเชั่อเรื่องของเขาชดีช่างสง อ, อะไรที่เขาพูดกันเนี่ยดีช่างชีชื่วช่างสงอะไรว่าปล่อยเขาไปอืเราดูตัวเราก็พอว่าเราดีหรือมันชั่วหรือเปล่าเราชั่วแล้วก็กําจัดมันอมเอาแต่ความดีเก็บไว้ นใช้เหตุผล ต, ต่อไปมันก็จะหยุดได้ตอนใหม่ๆมันดือยก็ต้องใช้สติพุโทโธพุธโทโธหยุดมันแต่เรารู้ว่าทําไมเราต้องหยุดมันเพราะรู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นอันตรายต่อเรา ม, มันเหมือนเชื้อโรคเนี่ยมันเเชื้อโรคเราต้องกินยาใช่ไห ม, ไมอันนี้ก็เหมือนพุโทโธก็เป็นยาธรรมโอสถเนี่ยพอคิดไม่ดีก็ต้องใช้พุโทโธใช้ปัญญามาสอนใจห้ามไม่พูดได้อ่ะห้าม คือพูดไม่ดีจะไม่พูดอยู่แล้วแต่ว่าบางทีตัวดํามันชอบขึ้นของมันเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเอาตัวเนี้ยอีกใจหนึ่งพูดกบมันอะไรเงี้ยต้องใช้ใจเอาใจดีมากบใจไม่ดีเอาใจดีมาสอนใจไม่ดีแล้วต่อไปใจไม่ดีก็จะหมดไปอ่าออาเลยตังสบายเอออเาตั้งทำมาเอาตั้งลูกเลยนะออ เราทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยเนืเอเ้อก็เอาเปลือกก็เอานี่เอาเปลือกรูบเปล่าเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยเมื่อกี้ได้เนื้อแล้วทีนี้ขอเอาเปลือกไปด้วยเอาเปลไปเพื่เพื่ออะไเอาไปโชว์เอาไปโชว์าาทำอหาห า, าใรใส่ปลาหลงเพราะหันแล้วก็แบบทำหลงออ ต้องไปซอยสามสิบนาจอมเทียนปากซอยสามสิบอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคเอ้ยวิทยาลัยเกษตรกรรมแล้วจะเดินทะลุออกไปซอยสามสิบสองมัมันจะเป็นตัวอยู่ทางเดินมินดาบาัตามถ้าปาไม่เจอผ้าปากซอยก็ขับรถเข้าไปในซอยเดี๋ยว ก, ก็เจอกลางซอย มาชาไม่เจอหลวงพ่อได้ใส่พระองค์ออ่าได้เหมือนกันอะอ <c oughs> ต่ดังว่าไม่ใช่เป็นบุญปาาของเราช <c oughs> าติก่อนคงไปขโมยข้าวของใครกินชาเนไม่ได้กินคนอุสาหจาข้ามาให้ยังไม่ได้กิน <c oughs> สาธุสาธุถามต่อได้เลยการนัตกาค่ะพระอาจารย์พูดใกล้ๆหน่อยฮะจะได้ดัง เมื่อวานเนี้ยค่ะพระอาจารย์ถามว่าอยู่บนที่กุดหลังที่บนเขาอะค่ะรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกหรือเปล่าอะค่ะทีนี้หนูไม่เข้าใจว่าพระอาจารย์หมายถึงอะไรอะค่ะก็หมายถึงเหมือนอยู่ในคุกก็เปล่าไงคือไม่สุขไงคุยง่ายๆคนติดคุกมีความสุขก็เปล่าทำ<ฆ>ไมไม่เหมือนไปอยู่ตามศูนย์การค่าตามาตามโรงภาพยนตร์เนี่ยมัน ต่างกันนะคนจึงชอบไปตามศูนย์การค้าตามลงภาพยนตร์เพราะมันสุขกันเนแต่ถ้าเราอยู่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนกับอยู่ที่ศูนย์การค้าได้ก็ดีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ตามศูนย์การค้าเราจะได้ไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมแทนอย่างถามว่าอยู่เราสุขหรือทุกพูดง่ายๆออทีนี้หนูไม่เข้าใจหนูก็เลยกลับไปคิดนะค ะ, อะตอนเดินจงกร ม, มก็พุทโธไปแล้วก็มี ความคิดคำถามของพระอาจารย์ขึ้นมาหากว่าเอ๊ะท่านถามนี่หมายความว่ายังไงพอยิ่งคิดมันก็ยิ่งหิวค่ะพระอาจารย์ก็เลยหยุดพูดโทแล้วก็ลองเปลี่ยนนะคะมาเป็นลองใช้ดูกระดูกนะคะแล้วก็เหมือนหนูหลับตาแล้วก็เดินเห็นเป็นกระดูกเดินนะคะก็คือแต่ว่าต้องหลับตาเดินนะคะอพ อ, อะเห็นแบบนั้นก็ทำให้หยุด ความคิดตรงนั้นได้แล้วก็อาการหิวมันก็หายไปไงองเงี้ยอาจารย์ใช่ก็เราก็ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนความคิดคาพูดของคนอื่นถ้าเราฟังไม่เข้าใจก็โยนทิ้งไปช่างหัวมันถ้าเราไม่เข้าใจก็แล้วไปค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะเดินแล้วก็หนูก็ถามตัวเองว่า ่ที่ทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าแล้วก็มีคำตอบขึ้นมาในใจค่ะเป็นเสียงพระอาจารย์บอกว่าก็ลองดูหรืออะไรแบบนี้ค่ะมักจะมีมันจะมีคำถามในเวลาปฏิบัติอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีคำตอบขึ้นออกมาเป็นเสียงพระอาจารย์อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูควรจะเชื่อหรือเปล่าหรือ่าก็ดูผลไงดูผลว่ามันเป็นมันมันสงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบก็ม่นยังไม่ใช่ ถ้าทำน้อสงบก็ใช่ค่ะแล้วก็มีตอนนั่งสมาธิอะค่ะคือตอนที่มีเวทนามากๆก็พยายามจะพุโทโธแรงๆแล้วก็ไปนึกถึงคําสอนของหลวงปู่ขาวบอกว่าให้ทําให้จิตอ่อนก็เลยเปลี่ยนจากพุโทโธสู้กลายเป็นแบบว่ายอ ม, อมก็เลยทําให้จิตมันเ อ, อสามารถทนกับความเจ็บได้ทีนี้จะถามพระอาจารย์ว่ า, วาในหนังสือคาะเขียนบอกว่า จิตที่แข็งเนี่ยมันจะเข้าสมาธิไม่ได้ต้องเป็นจิตที่อ่อนทีนี้ก็ไม่แน่แล้วแต่แล้วแต่ละคนบางคนจิตแข็งบางคนต้องจิตอ่อนมันถึงจะเข้าได้ออก็ต้องดูดแูแต่เหตุการณ์บางทีถ้าอ่อนก็ยอมยกธงขาวอันนี้ก็ยอมแบบยกธงขาวก็ผิดยอมแบบว่ายอมรับกับเหตุการณ์นึ่นกถูก แต่ถ้ายอมแพ้ก็ผิดเพราะเจ็บก็เลยลุกอย่างเงี้มันก็ผิดเนี่ยแล้วแต่ความหมายของคำพูดก็ได้ไม่เหมือนบางทีควาว่าแข็งก็หมายถึงว่าสู้ต่อไปไม่ถอยยอมอยู่กับความเจ็บไปมันก็ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่คำเราแปลความหมายของคำพูดในลักษณะใดผลก็คือเหมือนกันยอมก็คือให้จิตเรายอมนับกับเหตุการณ์ แข็งก็ยอมสู้กับเหตุการณ์มันก็แบบเดียวกันมันก็ตัวเดียวกันก็คือต้องลองดูเองอตำริตของแต่ละคนอาจจะต้องใช้คำว่าสู้ถึงจะถึงจะถึงจะได้ผลบางคนต้องใช้คำว่ายอมถึงจะได้ผลแต่ความหมายก็อันเดียวกันก็คือปล่อยวางพูดง่าย คำถามข้อต่อไปจากคุณปุ้มปุ้ยคะ่ะกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการฝึกสติให้เกิดปัญญาต้องปฏิบัติกรรมฐานเดิงจงกรมนั่งสมาธิทุกวันและกำหนดอิริยาบถย่อยอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเจ้าคะคือปัญญานี่มันเกิดได้สา ม, สามระดับไปัญญาระดับแรกเกิดจากการศึกษาเนี่ยเช่นฟังเทศฟังธรรมนี่เราก็จะได้ปัญญาในระดับแรกคือได้ความรู้ ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุของความทุกข์นี่อริยสัจสี่มีอะไรอย่างี้อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาปัญญาระดับที่สองก็คือเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี้ไปคิดอยู่บ่อยๆไปทำการบ้านพูดง่ายๆไปทบทวนไปคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมอันนี้เรียกว่าปัญญาระดับที่สองระับปัญญาระดับที่สามนี้ก็คือ ไปทำจิตให้สงบแล้วเอาปัญญาที่เรารู้นี้มาหยุดความอยากมาหยุดกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นปัญญาระดับที่จะสามารถดับความทุกข์ได้ปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองนี้ยังเป็นยังดับไม่ได้ถ้าเป็นคนก็เป็นเหมือนเด็กยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มที่เป็นเป็นเด็กเล็กกับเด็ก ปัญญาระดับแรกก็เป็นเหมือนเด็กทารกเนี่ยเพราะให้พ่อแม่คอยสอนคอยบอกอะไรทุกอย่างพอโตขึ้นมาหน่อยก็หัดทําเองได้เพราะจําได้แล้วว่าพ่อแม่สอนให้ทําอะไรแต่ยังไม่สามารถทํางานใหญ่ได้ยังต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทําอะไรอีกถึงยาอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองนี่ไม่ต้องมีสมาธิมีเพอมีสมาธิพอให้ฟัง ตั้งใจฟังได้เอาไปคิดได้ในในระดับแต่ระดับที่สามนี้ต้องมีสมาธิที่เข้มข้นที่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้ถ้ามีสมาธิระดับนี้แล้วก็สามารถเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี้มาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ยันถ้าอยากจะได้เป็นปัญญาระดับที่สามนี้ต้องไปฝึกสมาธิด้วย แต่ะระดับที่หนึ่งที่สองนี้ไม่ต้องฝึกเนีย่ยมานั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆฟังเทศฟังธรรมได้ก็ได้ปัญญาระดับที่หนึ่งแล้วถ้าเรามีกำลังที่จะเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปทบทวนอยู่เรื่อยๆไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆเขาเรียกว่าเราก็จะได้ระดับที่สองระดับที่สองมีไว้เพื่อไม่ให้เราลืม ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปทบทวนไปคิดต่อเดี๋ยวลืมเหมือนกับไม่ได้เอาไปทำการบ้านครูสอนที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็ไม่ทำการบ้านเดี๋ยวก็ไปสอบสอบก็สอบไม่ได้เพราะลืมหมดครูเรียนรู้จักในห้องเรียนพอออกมาก็ไปเล่นกันไปทำอะไรกันเดี๋ยวมันก็ลืมสิ่งที่เรียนมาพอไปสอบก็จะสอบตกนะ อันนี้ก็เหมือนกันปัญญาระดับแรกก็คือเนี่ยต้องไปเข้าห้องเรียนไปฟังเทศฟังธรรมไปอ่านหนังสือธรรมะขั้นที่สองเวลาไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงคำสอนที่เราได้เรียนได้ได้อ่านไม่ให้มันลืมจดจำเอาไว้เอามาท่องจำอีกทีอีกทีหนึ่งแล้วขั้นที่สามเวลาไปเข้าห้องสอบก่อนจะเข้าห้องสอบได้เราต้องไปมีสมาธิก่อนไปนั่งสมา ไม่ฝึกสมาธิทำจิตให้รวมให้หยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ก่อนพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วทีนี้ก็เอาไปใช้ดับความทุกข์ได้เพราะเวลาเกิดความทุกข์ปัญญาจะค้นหาสาเหตุก็จะพบว่ามันเป็นความอยากได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์นี้ก็ต้องหยุดความอยากนั้นอันนี้เป็นปัญญาระดับที่สาม คำถามข้อต่อไปจากคุณวัดทฒน์ทาง YouTube ค่ะกลับนมัส ก, การครับผมมีแผนที่จะบวชตลอดชีวิตเดินมกราปีหน้าครับผมมีคำถามช่วงนี้ผมควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับควรจะเลือกบวชในวัดที่ชอบทุดงออกไปยังป่าลึกๆจะช่วยทำให้การปฏิบัติคืบหน้าเร็วขึ้นกว่าอยู่วัดอย่างเดียวไหมครับคือตามหลักของการบวชนี่ ช่วงห้าปีแรกนี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์จะไปทุ่งเดียวไม่ได้เพราะยังเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ยังไม่รู้เรื่องของศาสนายังไม่รู้เรื่องพัฒ ธ, ธรรมววนในไม่รู้เรื่องของการอยู่ของพระว่าอยู่อย่างไรยัน้าปีแรกนี้ท่านบังคับให้อยู่กับครูอาจารย์ต้องต้องศึกษาครูมีครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่คอยอสอนสอนก่อน งั้นงั้นห้าปีแรกนี้ควรจะไปหาวัดที่มีการสั่งสอนมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนอยู่เรื่อยๆเรื่องออกทุ่งนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะไปคำถามข้อต่อไปจากคุณ a อบค่ะมาวัดเช้าทำกับข้าวบ่ายก็เก็บจามร้างเย็นสุดมนนั่งสมาธิแต่เพื่อนๆมีอารมณ์การกระทำกระทบเราเราจะวางใจอย่างไรดีคะ ก็เวลาเกิดอารมณ์เราก็พุโทโธพุโทโธไปตอนนี้เราไม่มีสติเราต้องสร้างสติขึ้นมาพอใจไปมีเรื่องมีอารมณ์กับใครก็ต้องชะหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปก่อนพอเรามีสติหยุดมันได้ขั้นต่อไปก็สอนมันด้วยปัญญาว่าปล่อยวางเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทำอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ปล่อยเขาพูดไปทำไปเราอย่าไปสนใจ เรามาหยุดใจเราถ้าเราไม่ยอมถ้าเราไปอยากให้เขาทำตามที่เราอยากเราจะทุกข์เนี่ยเราจะมีอารมณ์เสียคำถามข้อต่อไปจากคุณกบทาง a ฟ e b o o k ค่ะ <c oughs> เวลาทำอะไรเพลินๆหรือเวลาเผลอจะท่องบทสวดมนต์ค่อนข้างบ่อยปากอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะ <c oughs> เพื่อดึงสติกลับมาไง เวลาเราเผลอเราก็ใช้การสวดมนต์ใช้พุโทโธดึงจิตกลับมาให้มีสติให้รู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรไม่งั้นบางทีไม่รู้ว่าตัวอยู่ที่ไหนใจฝันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่งเพ้อฝันอยู่คนบ้าเป็นอย่างนี้คนบ้าไม่ได้อยู่กับไม่มีสติอยู่กับเนึ้กับตัวทำอะไรจึงทำไม่ค่อยถูกเพราะใจไม่รู้ไปฝันไปเพ้อฝันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ คำถามจากคุณ everyday ทาง Facebook ค่ะธรรมดาจะสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนแต่มีบางวันเลิกงานดึกและม่วงมากเวลาสวดมนต์เลยสวดมนต์แบบเร็วๆรัวๆถามว่าแบบนี้จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะก็ได้บุญแบบเร็วๆร็วรัวร คำถามข้อต่อไปจากกจากคุณสัปปรตศีค่ะนั่งสมาธิเป็นประจำก่อนนั่งจะกราบพระสามครั้งและตั้งนโมสามจบแต่ไม่ได้สวดมนต์หรือบริกรรมอะไรจะกำหนดจิตนั่งเลยแบบนี้ถือว่าเราทำถูกไหมคะที่ไม่ได้กล่าวคำอะไรก่อนถูกแล้วไม่กราบก็ได้ไม่สวดก็ได้ไม่ต้องตั้งนโมก็ได้ การนั่งการปฏิบัตินี่ก็เป็นเรียงการบูชาด้วยการปฏบิบัติบูชาอยู่แล้วยันไม่ต้องอามิสบูชาก็ได้ไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องอะไรไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้แต่ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวไหว้ครูหรือไม่ได้อยู่ที่การตั้งน้โมแล้วไม่ตั้งนมโมอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่เรานั่งสมาธิมีสติอยู่กับการนั่งได้หรือไม่คาถามจากคุณจันเพนทาง youtube ค่ ะ, ะคาถามสุดท้ายนะวันนี้ ถ้าอยากจะไปเกิดเป็นรุกเทวดาเพื่อจะได้อนุโมทนาบุญและได้ทำบุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะต้องตั้งจิตไว้อย่างไรเจ้าคะเราไปกำหนดไม่ได้เราจะไปเป็นอะไรเรากับเราทำได้แบบคร่าวๆแต่ไปกำหนดว่าไปมีพิกัดเหมือน จะไปบินเราไปโดดร่มลงที่พิกัดนั้นพิกัดนี้มันไม่ได้อ่ะโดดล่มบางทีมันก็แล้วแต่ลมแล้วแต่อะไรมันก็อาจจะไม่พาเราไปตรงที่จุดที่เราต้องการไปแต่โดยกว้างๆไปได้อยู่อยากไปเป็นเทวดาก็ทําบุญให้มากกว่าทําบาปก็แล้วกันตายไปก็จะได้ไปเป็นเทวดาแต่จะไปเป็นระดับไหนนี่มันก็อยู่ที่บุญกับบาปที่เราทําอยู่จะเป็นเจาะจงว่าต้องบุญระดับนี้ มันถึงจะได้ไปเป็นลูกกับเทวดานี่มันไม่ได้หรอกเพราะเราควบคุมการกระทาของเราไม่ได้ทุกตลอดเวลายังนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการเป็นลุกกับเทวดาต้องทําบุญมากน้อยเท่าไหร่ยงั้นก็ขอให้รู้กว้างๆกันละกันว่าการไปเป็นเทวดานี้ต้องไม่ทําบาปหรือทําบาปน้อยกว่าทําบุญ ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ไปเป็นเปรตแทนไปเป็นอสุลกายหรือไปเป็นสัตว์เลี้ยงช้างแทนถ้าทำบุญกับทำบาปเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ไปไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้ไปอบายก็ไม่ได้ก็กลับมาเป็นมนุษย์นี่คือโดยหลักกว้างๆของกฎแห่งกรรมบุญพาไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาบาป พ, พาไปอบายพาไปนรกถ้าไม่มีบุญไม่มีบาป พ, พาไปก็กลับมาเป็นมนุษย์นี่ค